นะโมตัสสะะขะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทสะนะโมตัสสะะะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุต s ะสะนะโมตัสสะะขะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทสะอิจาวตชังารา ปานวะะัตธรรมนูโนปชิตวานิรุชนติเตสังบูปะส ม, มสุโภติบัด น, นี้จะเริ่มแสดงครมีคาถาอันเป็นโนวาดคำสั่งสอนของสมเด็จ พ, พระภูมิพระภาคดจ้ ให้ท่านพุทธบริษัททั้งหลายฝั่งตามกำลังและโอกาสทำหน่วยวันนี้เกี่ยวกับการถวายเพลิงศพของท่านพระอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟันซึ่งเป็นพระอาจารย์สาคัญองค์หนึ่งเวลานี้ กำลังจะเสร็จเรียบร้อยลงไปด้วยทำไมท่านอาจารย์ฟัน่นท่านก็เป็นพระเหมือนกันกับพระทั้งหลายที่ว่าเป็นลูกศิษย์พระตถาคตปรากฏอย่างเด่นชัดในความเป็นพระเหมือนกันแต่มีประชาชนพุทธบริษัททั้งหลาย มีความเคารพนับถือมีความรักความจงรักภักดีต่อท่านมากทั่วประเทศไทยก็ว่าได้ไม่ว่าทางใกล้ทางไกลฐานะสูงต่ำหรือวัยใดไม่เลือกต่างท่านต่างเสียสละ มาด้วยความเชื่อความร่วมสายมาถวายเพลิงท่านในวาระสุดท้ายการมานี้ <c oughs> ยอมเสียสละทุกอย่างเราท่านทั้งหลายก็ทราบได้ดี <c oughs> เสียสละทั้งเวลาเวลาหน้าที่การงานสมบัติเงินทองแม้ที่สุด ชีวิตจะหาไม่ในขณะที่มาก็จำยอมมีเพราะความเชื่อความเร่วมสยต่อทันท่านเป็นพระประเภทใดถึงได้มีความมีประชาชนเคารพนับถือมากเราเองเพียงจะมีความภูมิใจในเราเป็นที่อุอ่นใจในเราก็ยังเป็นไปไม่ได้ แต่ท่านเองสามารถทำความร่มเย็นให้แก่องค์ท่านเองแล้วยังสามารถทำความร่มเย็นหรือเป็นเครื่องดูดื่นจิตใจของประชาชนทั้งหลายได้เป็นจำนวนมากซึ่งเทียบกับว่าเป็นแม่เหล็กอันสำคัญดึงดูดจิตใ จ, ใจประชาชนให้มีความเชื่อความเงินใสท้งนี้เพราะท่านมีความสำคัญอยู่ภายในองค์ของท่านเรียกว่าคุณธรรม คุณธรรมนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐเหนือโลกทั้งสามคำว่าธรรมนั้นเป็นของมีอยู่ตลอดอนันตกาลแต่ไม่มีใครสามารถที่จะเลื้อฟื้นธรรมนั้นขึ้นม า, าแสดงให้โลกเห็นได้นอกจากพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกเพียงองค์เดียว ทานาจานฟั่นได้บวชในพระพุทธศาสนาตั้งใจประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนเต็มสติกำลังความสามารถเรืยมาหรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัตดิดีอุชุ ป, ปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงต่อทางมรรคผลนิพานญายปฏิปันโน ปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงจริ ง, ร ง, รงภายในใจสามิจิปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมน่ากราบไหว้บูชาเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายจึงได้กราบไหว้บูชาคารบนับถือท่านเนื่องจากท่านมีของดีด้วยธรรมปฏิบัติมีสี่ประการนี้เป็นรากฐานสำคัญ คำว่าสุปฏิปโนโอุชุยานญาสามิมิปฏิปโนนี้นั้นเป็นพระาวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัทเฉพาะอย่างยิ่งคือภิกษุหรือพระหรือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะถากถางดัดแปลงกายวาจาใจของผู้ปฏิบัตินั้นนั้น ให้ได้ถึงความรู้ยิ่งเห็นจริงกศาสนคของพระพุทธเจ้ารวมลงแล้วเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นธรรมศูนย์กลางอยู่เสมอต่อมรรคผลนิพพานท่านผู้ใดตั้งใจประพฤตปฏิบัติไม่ว่าภิกษุไม่ว่าอุบาสกสิกา ทำไม่ได้เลือกหน้าไม่ได้เลือกที่รักผักที่ชังเป็นต้องให้ผลแก่ผู้ปฏิบัตินั้นโดยลําดับลําดับท่านอาจารย์ฟัน่นท่านเป็นพระสําคัญมาตั้งเดิมการประพฤติปฏิบัติก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆจนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านปฏิบัติธรรม ถ้าเป็นสมัยพุทธกาลก็เรียกว่าบรรลุทำขั้นนั้นๆไปโดยลำํำดับผู้มีความสามารถฉลาดรู้ถึงอัตถึงธรรมจริงๆก็บรรลุถึงอรหัตตาผลได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลเพราะาศาสนธรรมนี้เป็นท่ามกลางเสมอในการที่จะสั่งสอนอบรมหรือเป็นท่ามกลางเสมอในการที่ผู้ปฏิบัติ จะนำมาแก้กิเลสอาสวะทุกประเภทที่มีอยู่ภายในใจ <c oughs> เป็นความเหมาะสมในการแก้กิเลสทุกประเภทตั้งแต่ครั้งพุทธการมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ธรรมนี้ไม่มีการเสื่อมสู์ไม่มีเรียวมีแหลมไปไหนนอกจากผู้ปฏิบัติธรรมจะทำความเรียวแหลมแก่ตน เท่านั้นมรรคผลนิพพานจึงเกิดขึ้นไม่นด้ไม่ว่าครั้งพุทธกาลหรือสมัยปัจจุบนันนี้มีการปฏิบัติเป็นสํำคัญไม่มีสิ่งใดที่จะมากีด <c oughs> กันห่วงห้ามมาใหผ้ผู้ปฏิบัติโดยชอบรำตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ <c oughs> ในสัจธรรมท่านแสดงไว้สี่ประการ คือหนึ่งทุกความทุกกายทุกใจซึ่งเป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากร่างกายที่ควรมีการวิปริตผิดไปต่างๆทุกอันที่สองเกิดขึ้นมาจากใจที่คิดสั่งสมวิเลศอาสวะให้เกิดขึ้นภายในตนแล้วปรากฏผลขึ้นมามากน้อยทั้งสองประการนี้แหละ ที่จะเป็นเครื่องกั้นกลางมรรคผลนิพานไม่ให้เกิดขึ้นแล้วมีสิ่งใดที่จะเป็นเครื่องบุกเบิกหรือถากถางสิ่งกีดขวางทั้งสองประเภทนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ท่านกล่าวไว้ว่ามัชชิมาปฏิปทาคำว่ามัชชิมานั้นสรุปทำทั้งหลาย นับแปดมื่นสี่พันพระธรรมมาขันมขันลงมาย่อลงมาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรเป็นต้นและสัมมาส ม, มาธิเป็นที่สุดท่านผู้ใดนำธรรมนี้นำมัชฌิ ม, มาปฏิปทานนี้ ป, ปฏิบัติให้สมบูรณ์ผู้นั้นแลชื่อว่าเป็นผู้สามารถจะบุกเบิกทางอัน เป็นสิ่งที่รบกรุงรังด้วยกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนให้หลุดพ้นหรือให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงนิโรธคือความดับทุกข์มรรคคือข้อปฏิบัติมีกำลังสามารถเพียงไรนิโรธคือความดับทุกข์ย่อมดับไปโดยลาดับลาดับจนกระทั่งมรรคมีกำลังเต็มที่สามารถสังหารกิเลสทุกประเภทให้หมดไปจากใจ นิโรธคือความดับทุกข์อันเป็นผลเกิดขึ้นมาจากสมุทัยได้แก่ที่เลดทั้งหลายนั้นก็แสดงขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในจิตใจของผู้นั้นการสำเร็จมรรคผลนิพพานไม่ได้หมายสถานที่การเวลาเป็นสำคัญยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติไม่ว่าพระพุทธไม่ว่าครั้งคุตการหรือสมัยนี้ก็าตามขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง อันควรแก่การแก้กิเลสในประเภทต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ด้วยมักคือข้อปฏิบัตินี่เป็นของสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดเราท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าได้สนใจบ้างหรือไม่ว่าสัจธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ยังมีสมบูรณ์อยู่กับพวกเราทั้งหลายหรือหากว่าส่วนใดที่ด้อยลงไป การด้อยขอให้ด้อยในทางทุกข์และสมุทัยเถิดอย่าให้ด้อยข้อปฏิบัติสัมมาทิฏฐิสามมาสังคโปรที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาจะเป็นโอกาสหรือจะเป็นความหวังที่จะให้ผู้ปฏิบัตินั้นๆได้ถึงความพ้นทุกข์ได้เช่นเดียวกับครั้งพุทธกาลพอเทศมาถึงตอนนี้ก็มีปัญหาอันหนึ่งที่ ปรากฏขึ้นเมื่อเย็ยนวานนี้มีพระท่านไปถามว่าในครั้งพุทธการปรากฏว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่พุทธบริษัทได้สำเร็จมรรคผลนิพพานมากมายหายกาองอันนี้เป็นความจริงประการใดหรือไม่เราก็ได้ตอบตามความรู้สึกปากปากของเราว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงธรรมะที่แสดงออกจากพระไทยของพระพุทธเจ้าโดยทางพระโอษฐ์เป็นธรรมะที่บริสุทธิ์หมดจดออกมาจากพระไทยที่บริสุทธิ์ผู้ฟังฟังด้วยความตั้งอกตั้งใจเพื่อจะรู้ยิ่งเห็นจริงในความจริงทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเมื่อต่างอันต่างจริงเข้าบวกกันแล้วจะเป็นของเลวลงได้อย่างไร เพราะฉะนั้นผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ต้องเป็นผู้มุ่งต่อหลักตอทธรรมตอกความสัตย์ความจริงจริ ง, รงและผู้ชี้แจงแสดงธรรมก็เป็นผู้แสด ง, ส ด, งด้วยความรู้จริงเห็นจริงไม่แสดงแบบสุ่มสีุ่่มห้าเดาหน้าด้านหลังไปอย่างนั้นตนเองไม่รู้จำได้แต่ชื่อของธรรมว่า ความโลภเป็นอย่างนั้นความโกรธเป็นอย่างนี้ความหลงเป็นนั้นเราจําชื่อของกิเลสได้จนกระทั่งถึงปู่ย่าตายายของมันก็าตางเช่นเดียวกับเราจําชื่อของโจรผู้ร้ายทั้งหลายได้นั่นเองอย่าเพียงแต่จำอย่าว่าเพียงจําชื่อของโจรผู้ร้ายทั้งหลายนั้นได้เลยจําจนกะทั่งถึงโคดแซ่ของผู้ร้ายเหล่านั้นได้ ก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อันใดถ้าจับตัวเสือเหล่านั้นไม่ได้ก็คือเสือเหล่านี้เองที่จะทําความเดือดร้อนเสียหายแก่บ้านแก่เมืองหาความสงบไม่ได้อันนี้การจําชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะเฉยเฉยไม่เพียงแต่จะจำชื่อของตัวกิเลสจำจงกระทั่งถึงโพดแทะของกิเลสด้วยความจดความจำเฉยเฉโดยไม่ทําอะไรให้กิเลสมีความกระทบกระเทือนหรือจับกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไม่ตายแล้ว การจำชื่อแลกิเลสทุกประเภทได้ไม่เห็นมีความหมายอันใดเลยเพราะฉะนั้นจึงมีความสำคัญอยู่ที่ว่าการจำชื่อของกิเลสได้แล้วให้ทำหน้าที่ตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่จะให้กิเลสมีความเหือดแห้งหรือหมดทิ้งไปด้วยอุบายวิธีใดที่เรียกว่าฆ่ากิเลส ไปโดยลํำดับเยเลจะสิ้นออกจากใจไปเป็นลำดับจกนกระทั่งถึงหมดสิ้นภายในจิตใจเรียกว่าเป็นผู้ถึงความบริสุทธิ์วิมุตตพุโทโธเหมือนองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าเรียกว่าตามสเสด็จพระองค์ทันเช่นเดียวกับเราจําชื่อของโจรของผู้ร้ายได้แล้วตามจับตัวของมันมาให้ได้มาทําโทษให้ได้ ก็ไม่มีผู้ใดที่จะไปเป็นโจรผู้ร้ายก่อความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองเช่นนั้นการปฏิบัติาศาสนรคํคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราควรคำหนึงถึงพระโอวาทที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนพวกเราไม่ใช่สั่งสอนเพียงเปล่าๆ เ, เท่านั้นก่อนที่จะได้ตรัสรู้ก็ทรงสละพระชนชีพทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออดเพื่อทำจนกระทั่ง ถึงสลบสลายไปถึงสามครั้งเราเคยทราบในตำหรับตำราอยู่แล้วจนกว่าจะได้ตรัสรู้มีความลำบากยากเย็นแค่ไหนไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าในเรื่องความลำบากหรือความอุตสรหคพยายามทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออัดเพื่อทำมาเป็นสมบัติของพระองค์และมาสั่งสอนโลก การสั่งสอนโลกนั้นพระองค์ท่านสั่งสอนด้วยพระเมตตาจริงๆไม่ได้มีโลกามิตรใดๆเข้าเคลือกแฝงเลยเพราะพระไทยท่านบริสุทธิ์ไม่มุ่งประสงค์สิ่งใดนอกจากหัวใจของสัตว์โลกได้รับผลประโยชน์มีความร่มเย็นเป็นสุขรู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปรู้นรกสวรรค์ระจัก ตามพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนนั้นเท่านั้นนั้นเป็นสิ่งที่พระองค์ท่านต้องการอย่างยิ่งพระโอวาททุกบททุกบาททรงแสดงด้วยพระเมตตาเราผู้รับพระโอวาทคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าควรจะสํานึกในพระคุณของท่านแล้วพยายามปฏิบัติตนอย่าให้เสียเวล่ำเวลาเกิดมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งไม่ใช่เป็นของเล็กน้อย เช่นเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีภูมิคุณธรรมควรที่จะเป็นมนุษย์ได้ถึงจะมาเป็นได้เช่นอย่างคิดโชมนุชปฏิลาโภการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของที่หาได้ยากแต่เราทุกคนที่ปรากฏ ต, ตัวอยู่เวลานี้นั้นได้เป็นมนุษย์แล้วอย่างสมบูรณ์ด้วยกันและทราบประจักษ์ใจว่าตนเป็นมนุษย์เมื่อได้ถึงความเป็นมนุษย์แล้ว ก็ควรจะรักษาคุณสมบัติแห่งความเป็นมนุษย์นี้ด้วยดีโดยข้อปฏิบัติ <c oughs> มีทานมีศีลมีอบรมเจริญเมตตาภาวนาเรียกว่าสวดมนต์ประจำเราประจำภูมิมนุษย์เราไม่เช่นนั้นก็จะกลายไปแย่งภูมิสัตว์จริรยามารยาทความรู้ความเห็นของสัตว์มาเข้ามาเข้าตัว เมื่อไปแย่งเอากิริยามารยาทความรู้ความเห็นของสัตว์มาเป็นตัวของตัวแล้วก็จะขอความเลือดร้อนให้แก่ตนและผู้อื่นได้มากมายเพราะมนุษย์เรามีความฉลาดกว่าสัตว์การทำความเสียหายจึงทำได้อย่างมากมายยิ่งกว่าสัตว์ใดๆทั้งนั้นและมนุษย์เราเป็นผู้ฉลาดกว่าสัตว์การบาเพ็ญตนให้เป็ น, นไปในทางที่ดี ย่อไม่มีสัตว์ตัวใดจะเสมอมนุษย์ได้เลยเพราะมนุษย์ชนะเวลานี้เราเกิดมาในท้ำกลางแห่งพระพุทธศาสนาก่อนกี่าเป็นบุญญาลาภของเราแต่ละท่านละท่านอย่าให้เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตามหลักธรรมที่ได้ยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารร่างกายของเราทุกๆุกท่าน อยู่ตั้งอยู่ในความไม่แน่นอนทุกขณะคือสังขารร่างกายไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงอยู่เฉพาะการเท่านั้นไม่เที่ยงไปตลอดเวลาแปรอยู่โดยสม่ําเสมอตั้งแต่ขณะแรกเริ่มปฏิทิยวิญญาณขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้และแปรไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตาย เราจึงไม่ควรนอนใจในชีวิตจิตใจของเราที่เป็นอยู่นี้ว่าจะไม่ตายสัตว์ทุกตัวสัตว์มนุษย์ทุกคนมีป่าช้าเต็มตัวใหญ่โตกว้างแคบดูเอาตัวของเราก็ก็ทราบนี่ล่ละเป็นบ่าช้าหมดทั้งตัวเมื่อตายแล้วหาสาระอันใดไม่ได้ภูปาระวะยธรรมมีโนมีเกิดขึ้นกับ ตายเท่านั้นเป็นคู่เคียงกันอุปติคิตวานิรุตชันตินั่นท่านบอกแตส่สร้างบูปะสมูสุขโขการระงับดับเสียได้ซึ่งความเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายอะไรนี้เสียได้ท่านบอกเป็นความสุขอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายปรารถนาอยากเกิดกันแต่ไม่ปรารถนาอยากตายเป็นความขัดแย้งต่อความจริง ปีนเปียวกับความจริงจึงได้ทุกข์อยู่เรื่อยๆเพราะความเปีนเปียวความจริงการรู้ตามความจริงปฏิบัติตามความจริงคือหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้นั้นเป็นความถูกต้องเราจะได้ไม่ประมาทเกิดขึ้นมาแล้วอย่างไรต้องตายในขณะที่มีชีวิตอยู่นี้ให้พยายามบำเพ็ญเราจะเชื่อเราจนเกินไป เรามีกิเลสเหมือนคนตาบอดเชื่อตัวเองไม่เชื่อคนตาดีเดินไปที่ไหนชนแต่ไม้โดนแต่ไม้เจออ็บแขงเจ็บขาก็เจ็บแขงเจ็บขาคนตาบอดนั่นแหละไม่ใช่เจ็บแขงเจ็บขาคนตาดีการเชื่อคนตาดีดีกว่าเชื่อตัวเองซึ่งเป็นคนตาบอดคนโง่ควรจะเชื่อคนฉลาดเป็นของดี เราเชื่อเรามากจนเกินไปโดยแม่คำหนึงถึงว่าผู้ใดบ้างที่จะมีความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าเราถือว่าเราเป็นผู้ฉลาดเหนือใครๆหรือว่าฉลาดเต็มตัวนั้นมักจะโง่อยู่ทุกขณะการที่เราเชื่อยอมมีเชื่อหลายด้านหลายทางเช่นตายแล้วศูนย์บ้างเชื่ออย่างจมไปเลยก็มีความที่ว่าตายแล้วศูนย์นั้น เราค้นสาเหตุอันใดมามีเหตุมีผลอย่างไรพอที่จะยืนยันและเชื่อลงอย่างแน่ชัดว่าตายแล้วศูนตายแล้วเกิดนี่มีหลักมีเหตุผลเป็นเครื่องยืนยันดังพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเกิดแล้วตายแต่แล้วเกิดท่านเรียกวัฏตะบุญวนไปเวียนมาอยู่ในกําเนิดต่างๆแล้วแต่กรรมที่ มีอยู่ภายในจิตใจจะพาให้ไปเกิดในพบน้อยพบใหญ่ชั้นสูงชั้นต่ำชั้นใดๆไม่เลือกสาคัญอยู่ที่กรรมซึ่งมีอยู่ภายในใจมีกรรมกรรมดีกรรมชั่วนี่เป็นเชื้ออันสาคัญที่จะยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปเกิดและมีความสุขความทุกข์มีอำนาจวาสนาโง่ฉลาดต่างกันมีอยู่ที่ตรงนี้ไม่ได้มีอยู่ที่ความสาคัญเราเอาเฉยเฉย เช่นอย่างว่าตายแล้วศูนย์ดังนี้เป็นต้นอะไรมันศูนย์ถ้าว่าตายแล้วศูนย์เราทั้งหลายนั่งอยู่นี้มีมาได้อย่างไรเพราะคําว่าตายแล้วศูนย์นั้นจะไม่ศูนย์ตัง้งแต่เพียงเท่านี้จะศูนย์มาดั้งเดิมอยู่แล้วไม่ใช่จะมาศูนย์เพียงขณะที่เราพูดที่เท่านั้นอะไรมันศูนย์ธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟเคยมีมากับโลกดั้งเดิมจิต ซึ่งเข้าไปถือยึดกรรมสิทธิ์กับธาตุส่วนผสมต่างๆมีดินน้ํามลมไฟเข้าผสมกันแล้วไปจับจองว่าเป็นเจ้าของมาเกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายนี่ปรากฏเป็นตัวของเราเป็นสัตว์ต่างๆมีอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินนี่ถ้าโลกเป็นของตายแล้วสูญจริงๆสัตว์มาเกิดได้อย่างไรเอาอะไรมาเกิดเพราะอะไรอะไรมันก็ต้องสูญไปหมดจิต ตายแล้วศูญย์มีความรู้สึกได้ในตัวคนอย่างไรเล่านี่ก็เพราะตายไม่สูนนั่นเองมันถึงมีอยู่ให้เห็นอยู่รู้อยู่ผู้ที่ว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละเป็นเหตุที่จะให้ทำความชั่วช้าละมกต่างๆได้อย่างเต็มที่โดยแม่คํหนึ่งถึงว่าผลจะเป็นอย่างไรที่นี่ความเชื่อตัวเองนั่นแหละเป็นเหตุที่ใช้เกิดความทุกข์ เราสำคัญว่าตายแล้วศูนย์แต่ความจริงมันไม่ศูนย์เมื่อไปเกิดในภพต่างๆเพราะอานาจแห่งการทำกรรมหนักก็จะได้รับความทุกข์แก่ตัวเองนั่นแหละเช่นเดียวกับคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีความเจ็บก็จะต้องตัวเองเป็นคนเจ็บโดนไม้โดนอะไรก็แล้วแต่ไม่เชื่อคนดีผลสุดท้ายกับคนตาบอดนั่นแหละเป็นผู้ได้รับความทุกข์เพราะความเชื่อตัวเอง เราทั้งหลายมืดบอดไม่ได้มีความสว่างสว Shield, ัยอันใดเป็นเครื่องยืนยันพอที่จะรับรองนั้นเป็นความจริงได้เกิดมาก็ไม่ทราบว่ามาจากภพใดชาติใดมาปรากฏเป็นมนุษย์อยู่นี้และตายจากนี้แล้วจะไปไหนอีกเมื่อไม่มีที่จะคิดให้ไปแล้วก็ว่าตายแล้วศูน์คนที่เข้าใจว่าตายแล้วศูนย์นั่นแหละ เป็นเหตุให้ทํากรรมชั่วช้าหลังมกได้โดยไม่มีการยับยั้งเพราะว่าเราเกิดชาติเดียวตายไปแล้วไม่เห็นมีอะไรทั้งนั้นศูญย์สิ้นไปเลยนี่เป็นความสําคัญแต่สิ่งที่จะเป็นเชื้อให้เกิดนั้นได้แก่อะไรท่านว่าอภิชาเป็นเชื้อสําคัญอันนี้เราจะพิสูจน์ถึงเรื่องความเกิดความตายนี้เราจะพิสูจน์เพียงพิจารณาไปตามตำหรับตําลานั้น เป็นไปไม่ได้ไม่ยังผู้นั้นไม่สิ้นสงสัยได้เลยพระพุทธเจ้าผู้ทรงสั่งสอนสั่นโลกทรงค้นพบด้วยภาคปฏิบัติของพระองค์ตรัสสรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ได้ตรัสรู้ด้วยการด้นเดาวด้วยการคิดเอาเฉยๆเมื่อได้ตรัสรู้ความจริงแล้วนำความจริงนั้นมาสั่งสอนสอนโลกทำนั้นจึงเป็นของจริงลบไม่ศูนย์ เป็นอย่างตายแล้วเกิดอีกอะไรเป็นเหตุให้เกิดพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบแล้วว่าอาวิชชาปฏิยาสร้างฆาราสร้างฆาราปฏิยาวิน ญ, ญาณังเป็นต้นอวิชชานั่นแลเป็นเชื้อสำคัญซึ่งฝังอยู่ภายในจิตนั้นให้พาตัดไปเกิดในกำเนิดต่างๆกันไม่มีที่สิ้นสุดจุดหมายปลายทางได้เลยการที่จะระงับดับเสียซึ่งความเกิดนั้นดับวิธีใดหันซ้อนวิธีดับ เฉพาะอย่างยิ่งคือจิตตะภาวนาเป็นภาคพิสูจน์อันสําคัญและจะเห็นความจริงด้วยภาคภาวนานี้เท่านั้นอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าตรัสลู่ด้วยการภาวนาตรัสลู่ด้วยการปฏิบัติสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมด้วยการปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงด้วยการปฏิบัติไม่ได้รู้จริงเห็นจริงด้วยความจําความคาบพเนจร เ, เฉยอันนั้นเป็นความสําคัญของคนมีกิเลสไม่ใช่เป็นความจริงของธรรม พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติธรรมรู้ธรรมด้วยความจริงในพระทยแล้วจึงนำมาสั่งสอนโลกเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวขาธรรมธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้ ว, วคำว่ า, าวิชาปัจญานี่เราจะทราบได้ทางภาคปฏิบัติเริ่มแรกปฏิบัติใจของเรายังไม่เคยสงบร่มเย็นเลยเราก็ไม่ทราบว่าใจคืออะไรร่างกายคืออะไรมันรู้ไปหมดทั้งตัวแต่จับ จุดแห่งความรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติอย่างท่านสอนให้อบรมจิตให้มีความสงบก็เพื่อจะตะล่อมกระแสจิตเข้ามาสู่วงเฉพาะของตนเองเพื่อจะจับตัวเองได้วันนี้คือจิตนั้นคือร่างกายในภาคปฏิบัติเบื้องต้นเราจะพิสูจน์ถึงเรื่องของจิตปฏิพิสูจน์เรื่องจิตท่านให้พิสูจน์ด้วยหลักขิตตะภาวนาเมื่อใจมีความสงบ เราจะเห็นจุดแห่งความรู้อย่างเด่นชัดอยู่ภายในตัวของเราสงบมากเพียงใดยิ่งเห็นจุดของจิตเด่นชัดร่างกายเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในใจของผู้สงบยิ่งจิตมีรากฐานอย่างสมาธิอย่างแน่นหนามั่นคงด้วยแล้วก็ยิ่งเห็นฐานของจิตได้อย่างชัดเจนจากนั้นแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาคาว่าปัญญาคือความ เฉลียวฉลาดความคลี่คลายความทินิษพิจารณาไตรตรองค้นหาความจริงที่มีอยู่ในสปนากายของเราเรียกว่ามีอยู่ที่ขันห้านี้รูปได้แก่ร่างกายส่วนต่างๆนี้เรียกว่ารูปเวทนาได้แก่ความสุขความทุกข์เฉยๆที่มีอยู่ทั้งในร่างกายและ จ, จิตใจสัญญาคือความจําได้หมายรู้จําได้ว่าบ้านนั้นอยู่นั้นบ้านนี้อยู่นี้คนนั้นชื่อนั้น สังขารคือความคิดความปรุงของใจนี่เป็นอาการที่ออกมาจากกิตแต่และอย่างลอย่างวิญญาณคือความรับทราบเวลาอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในกระทบกันได้แจงตากระทบรูหูกระทบเสียงเป็นต้นเกิดความรู้สึกขึ้นในขณะนั้นพอสิ่งสัมผัส ผ, สผ่านไปความรู้นี้ก็ดับไปท่านเรียกว่าวิญญาณการพิจารณาที่ใคร สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้เห็นชัดตามเป็นจริงของมันเรียกว่าปัญญาปัญญาที่คลายดูให้เห็นชัดรูปให้เห็นเป็นสภาพของรูปตามความจริงไม่ใช่เราเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆเป็นความจริงแต่และอย่างละอย่างไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามีทั้งภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สังขารความคิดความปรุงขึ้นมาภายในใจิตใจเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดคิดดีคิดชั่วดับ มีเกิดมีดับเป็นคู่เคียงกันเสมอไปไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิจารณาจนเห็นชัดภายในจิตใจว่า น, นิรูปเป็นรูปเวทนาเป็นเวตนาสัญญาสังขารเวีายานญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นอาการหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้เห็นได้อย่างชัดเจนประจักษ์ใจเมื่อรู้แจ้งเห็นชัดในอาการทั้งห้านี้แล้ว จิตย่อมหดตัวเข้าไปปล่อยวางรูปเวทนาสัญญาสั้งฐานวิญญาณออกไว้ตามความเป็นจริงของมันนี่การที่คลายการพิสูจน์ึงเรื่องจิตมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดไม่เกิดจิตมีความติดข้องพัวพันในสิ่งใดหนักในอารมณ์ใดมากเราย่อมทราบได้ชัดว่าได้ชัดว่าจิตนี้ยังมีความสื่อกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนั้น เมื่อปัญญาพิจารณาอย่างทราบชัดเจนแล้วปล่อยวางเข้ามาปล่อยวางเข้ามาเรียกว่าจิตขาดจากอารมณ์นั้นๆโดยลําดับจนกระทั่งเข้ามารู้ภายในตนเองคือมีจิตกับอวิชชาเท่านั้นกิ่งก้านแขนงของอวิชชาที่ส่งออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย หรือส่งประทางรูปเวทนาสัญญาทาั้งขาสิญญาณถูกตัดหมดหรือถูกรู้เท่าทันด้วยปัญญาปล่อยวางเข้ามาไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยเหลือแต่อวิชชาตัวเดียวเท่า น, นั้นลูกเต้าล้านเหลนถูกฆ่าทิพายตายหมดด้วยปัญญาแล้วก็พิจารณาตัวเชื้อมันที่พาให้เกิดไม่มีอันใดที่จะพาให้เกิดนอกจากอาวิชชานี้เท่านั้น<ม>นี่การปฏิบัติให้พิสูจน์เรื่องความ ตายเกิดตายศูนย์ต้องพิสูจน์อย่างนี้เมื่อได้ทำลายอาวิชชาลงไปหมดด้วยปัญญาอันแหละมะคมแล้วหมดเชื้อความเกิดไม่มีเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆนนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านทรงทราบว่าเป็นจิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเป็นอย่างนี้การเกิดเกิดเพราะสาเหตุแห่งอวิชชาอย่างนี้ได้ชำระลงไปหมด โดยสิ้นเชิญไม่มีเหลือแล้วพบไม่มีนัตถิดานิปุณพโภวความเป็นอีกความเกิดอีกคือเกิดในพบนั้ น, น, นไม่มีรู้ประจักษ์พระไทยพระองค์อย่างนี้ไม่ได้รู้ด้วยความคาดคะเนความเดาวความสําคัญเฉยเฉยว่าตายแล้วเกิดตายแล้วสูญอะไรตํำหนองนั้นแม้เราจะเชื่อตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดก็ตามแต่ถ้ายังไม่ถึงความจริงที่เราปฏิบัติรู้เองเห็นเองอันนั้นก็ยังไม่เกิดผลอันไหน ยังเชื่อไปเท่านั้นการที่ให้เกิดผลโดยสมบูรณ์ต้องเป็นเราประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนไว้ไว้แล้วภายในใจของตนทุกสิ่งทุกอย่างจริงหมดด้วยปัญญาแล้วนั่นแลเป็นผลของผู้ปฏิบัติการสิ้นสุดจากการสิ้นสุดแห่งความเกิดก็สิ้นสุดที่อวิชชาซึ่งเป็นเชื้อให้พาเกิดพาตายเมื่ออวิชชาสลายตัวลงไปแล้วด้วยอํานาจของข้อปฏิบัติมีปัญญาเป็นทั้งผันแล้ว ไม่มีอันใดที่จะมาก่อให้เป็นสาเหตุให้ก่อพบก่อชาติอีกนั่นคือท่านผู้บริสุทธิ์ภูนี้ไม่เกิดดุขั้งนัตถิอาชาตาาัสะทุกขย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดในขณะเดียวกันก็ทุกย่อมมีแก่ผู้ชอบเกิดเสมอนั่นแหละดุขัง้งดุอะไรดุดุข้าชาติปูนักภูนังการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์ไม่หยุดการไม่เกิดเสียนั่นแหลก คือเป็นบรมสุขท่านว่านิพพานนางปรมังสุขขังเทนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงความบริสุทธิ์ของใจนั่นแหละไม่ต้องไปกรอบพบ ก, กอกําเนิดเกิดในสถานที่ใดอีกพระจักด้วยปัญญานี้แ่เรียกว่าสันพิธิโกเป็นผู้รู้เอง <c oughs> เห็นเองด้วยการปฏิบัติของตนเองปัจจตังเวดิตบโบวิญูหิท่านผู้รู้ทั้งหลายจะพึงรู้โดยลําเฉพาะตนเองเท่านั้นไม่สาธารณะแก่ผู้ใดที่ไม่ปฏิบัติ แล้วธรรมคําสั่งสอนคําพุทธเจ้าที่กล่าวมาเหล่านี้เวลา น, นี้เป็นโมฆะไปแล้วเหนือสวุภาษิตธรรมที่จัดไว้ชอบแล้วนั้นชอบตั้งแต่ครั้งพุทธกาลเหนือปัจจุบันนี้ทําของมุ่ยเจ้าไม่ชอบเหนือหรือชอบแต่พวกเราแต่ทําไม่ชอบมันจึงเป็นเหตุให้เกิดกิเลสตัณหาสวะเกิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดเวลา <S <S ทาั้งทั้งติชาพุทธเราเป็นชาพุทธปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมของมุ่ยเจ้าแล้วกิเลสตัวไหนมั่ง ที่ได้หลุดลอยออกไปเพราะถือศาสนาถือเฉยเฉยก็ไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ถือแล้วเพื่อปฏิบัติเหมือนเราถือขนมอยู่ในเงื้อมือของเรานั่นะถ้าไม่รับทานก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรข้าวต้มขนมมันก็ทิ้งไปเฉยเยเน่าเฟะไปเฉยไม่เกิดประโยชน์นอกจากเอามารับทานเท่านั้นธรรมของบูริยเจ้าไม่ใช่จะมาอยู่เฉยเฉยยกเป็นตู้เป็นหีบแบกอยู่บนบ่าแล้วชื่อว่าถือศาสนา ถืออยู่ที่ใจปฏิบัติอยู่ที่ใจให้รู้ที่ใจให้เห็นที่ใจพิสูจน์ความจริงของธรรมต้องพิสูจน์ที่ภายในใจท่านสอนลงที่นี่ไม่ได้สอนไปที่ไหนนี่ละท่านอาจารย์ฟัานท่านปฏิบัติมีความรู้ยิ่งเห็นจริงอย่างนั้นท่านมีความอบอุ่นมีความภูมิใจในอดในธรรมระักท่า น, ห, านหรือท่านเคารพท่าน เพราะฉะนั้นจึงเป็นสาเหตุให้คนทั้งหลายมีความเคารพต่อท่านท่านเป็นผู้ดีคนทั้งหลายก็มีความเคารพนี่เป็นหลักสาคัญขึ้นอยู่กับสุปฏิปันโนอุทุญ亚ยาสาไมกิปฏิปฏันโนนี้เป็นหลักสาคัญเราท่านทั้งหลายก็เป็นผู้มีความรู้อันหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของในร่างกายนี้มีสิทธิที่จะรู้จะเห็นทำทั้งหลายได้เช่นเดียวกันกับครั้งพุทธการ เพราะศาสนธรรมที่สอนไว้นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหญิงกับชายโดยถ่ายเดียวแต่ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของผู้บำเพ็ญทั้งหลายมีจิตตะภาวนาเป็นสำคัญครั้งไหนก็ตามคำว่ามัชชิมาต้องท่ามกลางเสมอเป็นธรรมเหมาะสมกับการแก้กิเลสถอดถอนกิเลสทุกประเภทสำหรับผู้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักธรรมแล้วมีสิทธิหรือมีอำนาจที่จะถอดถอนกิเลสภายในจิตใจของตนให้หลุดพ้นได้ด้วยกัน ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยความโลภความโกรธความหลงที่เรียกว่ากิเลสก็เป็นกิเลสประเภทเดียวกันมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นธรรมจึงไม่จําเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแปลงหาอย่างอื่นมาแก้กิเลสหากว่าธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้ไม่สามารถจะแก้กิเลสในสมัยปัจจุบันเหล่านี้ได้เหมือนครั้งพุทธกาลแล้วซายก็ควรจะได้เสาะแสวงหาธรรม ไม่อี่มขึ้นมาให้ทันสมัยแต่นี้ธรรมนี่เป็นธรรมที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาแล้วที่จะแก้กิเลสทุกประเภทหรือทําคนให้ดีได้โดยลําดับเช่นเดียวกับครังพุทธกางท่านจึงเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่ศูนย์กลางเสมอเป็นความเหมาะสมเสมอความพอดีเสมอเรียกว่ามัชชิมาคือความพอดีโลกเราเอานำไปใช้ ก็เอาหลักมัธิมานี่แหละไปท้ายถึงจะพอดีถ้าเลยมัธิมานี้แล้วไม่พอดีทั้งนั้นไม่ว่าอันใดก็ตามเช่นอาหารทำเผ็ดแกงเผ็ดเกินไปไม่พอดีเค็มเกินไปไม่พอดีหวานเกินไปไม่พอดีเปรี้ยวเกินไปไม่พอดีฟังคำที่ว่าเกินไปเกินไปนั้นไม่ใช่มัธิมานั้นไม่ใช่ความพอดีความพอดีก็คือว่า อาหารนี้พอดีไม่จืดเกินไปไม่เค็มเกินไปเหมาะมีเรียกว่าเหมาะสมแล้วถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็เหมาะสมไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปคนก็พอดี <c oughs> ไม่สูงนักไม่ต่ำนักก็พอดีหลักสากลของโลกนำมัชชิมานี้ทั้งนั้นไปใช้คือความพอดีเลยนี่แล้วไม่เรียกว่าพอดีได้เลยและขัดขวางด้วย <c oughs> เราจะเห็นว่ า, าศาสนาธรรมนี้เข้ากับโลกได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นธรรมเข้ากับโลกไม่ได้แล้วโลกจะเป็นอย่างไรเช่นโลกแห่งสัตว์สัตว์ประเภทไหนเช่นสุนัขอย่างนี้เขาไม่สนใจกับอัดกับธรรมเลยเรียกว่าธรรมกับเขาเข้ากันไม่ได้แล้วน่ากราบน่าวหวไหมเราเห็นความสวยงามของสัตว์ที่ไม่มีอัดมีธรรมไหม มนุษย์เราเมื่อไม่มีอัตมีธรรมหาความสวยงามหาความน่าดูที่ไหนมีมนุษย์เราไม่ใช่จะงามในรูปร่างกลางกลางตัวแล้วเป็นความติดสวยงามเป็นที่มีคุณค่าราคาโดยไถ่เดียวสามคัญที่คุณธรรมการประพฤติปฏิบัติกจริยามารยาทนี่เป็นเหตุที่จะส่งเสริมบุคคลนั้นให้มีสาระสำคัญขึ้นมาภายในตนไม่ใช่เพียงรูปร่างเท่านั้นเป็นสาคัญ อันนั้นเป็นแต่เพียงเครื่องประดับหน้าร้านเท่านั้นถ้าเข้าไปในร้านไม่มีอะไรก็เป็นเครื่องหลอกโลกคนนั้นสวยงามแต่รูปร่างแต่จิตใจต่ำสามความประพฤติปฏิบัติเลวสามใช่ไม่ได้คนเรามีคุณค่าอยู่ที่ความประพฤติปฏิบัติสัตว์ทั้งหลายมีคุณค่าอยู่ที่เนื้อที่หนังของมันตายแล้วนำไป่ายตลาดได้เป็น <c oughs> เป็นทอง สำเร็จประโยชน์มนุษย์ตายแล้วกลัวผีกันทั้งนั้นหาคุณค่าราคาไม่ได้ถ้าไม่หาคุณค่าราคาด้วยคุณธรรมเชตยกตัวอย่างเช่นครูบาอาจารย์นี่ลองดูสิอย่างท่านอาจารย์ฟั่นนี้เป็นต้นใครกลัวไม่กระดูกท่านอาจารย์ฟัน่นมีแต่ผู้อยากได้ต้องการทั้งนั้นถ้าเราจะแจกแล้วชุนลมุนกันใหญ่เลยเนอะเป็นค่าสุกน้อยน้อยอันอหนึ่งขึ้นมาในวงนี่แหละ เพราะใครก็ต้องการกระดูกท่านต้องการอัฐิท่านใครต้องการต้องการไม่เห็นมีใครว่ากลัวกระดูกท่านอาจารย์ปั้นเลยนี่เพราะเหตุใดเพราะกระดูกนี้มีคุณค่ากระดูกนี้มีคุณธรรมออกมาจากท่านผู้มีคุณธรรมอะไรกรกลายเป็นคุณธรรมไปหมดเป็นผ้าสบงกีวรเครื่องใช้ต่างๆบริหารรองท่านเป็นสิริมงคลไปหมดเพราะท่านพาให้เป็นสิริมงคลท่านเป็นผู้มีคุณค่าสิ่งทั้งหลายลนั้นมีคุณค่าไปหมดนี่ย ถ้าเป็นธรรมดาอย่างคนตายธรรมดาแล้วใครกลัวผีทั้งนั้นล่ะแม้แต่พ่อแม่กับลูกยังกลัวผีกันกลัว <c oughs> พ่อจะมาหลอกแม่จะมาหลอกแล้วกลัวลูกคนนั้นจะมาหลอกมาหลอนทั้งๆ ท, ที่แต่ยังมีชีวิตอยู่รักกันแทบล้มแทบตายพอชีวิตหาไม่ได้เท่านั้นกลัวผีกันแล้วนะ่ะเพราะเหตุไรมันต่างกันที่คุณธรรมเนี่ยมนุษย์เราจึงสําคัญที่คุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญ พระพุทธเจ้าจึงสอนธรรมะนี้เพื่อให้เป็นคุณธรรมให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นเครื่องประดับมนุษย์ให้มีความสวยงามสวยงามภายนอกสวยงามภายใ น, ยยนเช่นดอกไม้ดอกไม้สวยงามแต่กลิ่นไม่หอมก็เป็นหน้าทัดหน้าสมทั้งสวยงามด้วยทั้งกลิ่นหอมด้วยหน้าทัดหน้าสมมาก ดอกไม้ไม่สวยงามแต่กลิ่นหอมก็ยังดีทั้งคีรีอุคิเลดอกไม้นั้นทั้งปลิ่นเหม็นด้วยไม่มีใครเดี๋ยวแลเลยดูไม่ได้มนุษย์เราก็เหมือนกันรูปร่างกลางตัวสวยงามด้วยความประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ดีด้วยมีคุณธรรมด้วยผู้นั้นมีคุณค่าสูงรูปร่างไม่สวยงามแต่น้ำใจสวยงามผู้นั้นก็มีคุณธรรมดี รูปร่างก็ไม่สวยงามแล้วทั้งจิตใจก็เร็วสามใช้ไม่ได้เลยรูปร่างก็สิ่เหลีขีเอนน้ำใจก็เหมือนกันอีกนี่เรียกว่าดูไม่ได้ในลักษณะสี่อย่างนี้เราทั้งหลายเทียบเคียงมนุษย์เรามีคุณค่าที่การประพฤติปฏิบัติดังที่กล่าวแล้วสักครู่นี้ ถ้าไม่มีคุณค่านี้รวบผีกันทั้งนั้นแหละถ้ามีคุณค่านี้แล้วดังศพท่านอาอาอัติของท่านอาจารย์สั้นนี้เนี่ยแจกไม่ได้ต้องเป็นค่าศึกกันทันทีใครก็จะเอาใครก็จะเอากระดูกของท่านมีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นคนทั่วประเทศไทยใครก็จะเอาจะเอานั่นละตอนจะเกิดค่าศึกกันทำไมใครจรึงไม่ิกลัวผีกระดูกท่านบ้างก็เพราะคุณธรรมของท่าน เราทาตัวของเราอย่างนี้ไม่ได้อย่างท่านอาจารย์ฟั่นก็ตามแต่ขอให้เราเป็นคนดีประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีทำของพระพุทธเจ้านี้เป็นเครื่องประดับศัตร์โลกให้มีความสวยงามทั้งความประพฤติการปฏิบัติตัว<ม>และนอกจากนั้นยังมีความเป็นสุขทั้งปัจจุบันและเป็นสุขในอนาคตอีกด้วยในโลกนี้ก็เป็นสุขไปโลกหน้าก็เป็นสุขเพราะเป็นผู้สร้างคุ ง, งามความดีอัน เป็นสาเหตุให้เกิดความสุขขึ้นมาวันนี้จะอธิบายถึงเรื่องมัชชีมาปฏิปทาและเกี่ยวกับเรื่องท่านอาจารย์ปั้นให้ท่านทั้งหลายนําไปประพฤติปฏิบัติและพูดถึงเรื่องตาเกิดตายสูญขอให้ทุกทุกท่านได้นำความวินิจัยภายในตัวเราทุกคนเป็นผู้เกิดมาแล้ว หาวิธีใช้ตัวเองให้ทราบด้วยตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดวันหนึ่งวันหนึ่งที่ผ่านไปผ่านไปขอให้ผ่านไปด้วยคุณงามความดีผสมกันไปด้วยอย่าให้มีแต่ความฟุ้งเฟอ้อเสิม อ, อย่าให้มีแต่ความลืมเนื้อลืมตัวไปหมดศีลทําให้ปรากฏภายในจิตใจเลยคนนั้นหาคุณค่าหาราคาไม่ได้คาว่า บ, บุญหรือบาป บุญและบาปนั้นลบไม่สูนใครจะว่าบุญไม่มีก็าตามบาปไม่มีก็าตามก็เหมือนกับว่าตายแล้วศูนนั่นเนี่ยสิ่งที่มีอยู่ย่อมเป็นสิ่งที่เปิดเผยด้วยความมีอยู่ข้างตนแต่ลี้ลับสาหรับคนที่มาเห็นเช่นอย่างน้ำที่ขวางทางอยู่นี่เป็นความเปิดเผย อ, อยู่ด้วยความมีอยู่ข้างมัน แต่เราไม่เห็นไปเยียบเข้าน้ํานั่นแหละที่เราน้ําที่เราไม่เห็นนั่นแหละมันตักเท้าเราให้เจ็บได้คําว่าบาหรือบุญนี้เราเทียบกันได้อย่างชัดเจนก็คือสุขกับทุกข์เคยหนีจากร่างมนุษย์ได้ร่างสัตว์เมื่อไหร่สุขทุกขมีมาดั่งเดิมบาปก็คือความชั่วอันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์บุญก็คือความดีอันเป็นสาเหตุให้เกิดความสุข เราจะลบล้างได้อย่างไรผู้ใดเป็นผู้ตรัสไว้ในสิ่งเหล่า น, นี้บาปก็พระพุทธเจ้าแสดงไว้บุญก็พระพุทธเจ้าแสดงไว้นรกสวรรค์ก็พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้การแสดงไว้ไว้ทุกแง่ทุกมุมไม่ได้แสดงแบบลวงโลกพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาลวงโลกเป็นศาสดาที่รู้จริงเห็นจริงจริงนำสิ่งที่รู้เห็นประจักษ์พระทัยแล้วออกมาสั่งตัดส่สสงสอนโลกแล้วจะผิดไปที่ไหน จึงหาความผิดไม่ได้มีแต่ความถูกต้องดีงามตรงกับหลักธรรมสวัสขาโตพระวตาทำหมุพระธรรมมันพระภูมิพระทาก็กรัดดีแล้วชอบแล้วเท่านั้นเป็นของสาคัญขอให้ทุกท่านซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนนําอัดนําำรำความพระโพธิจาไปเป็นสีวิตมงคลไปเป็นคุณค่าแก่หรือคุณสมบัติแก่ตัวของเราเราจะมีความอบ อ, บอุ่นอบอุ่นภูมิใจ ในความเป็นมนุษย์ทั้งเรานอกจากนั้นเราตายไปแล้วก็มีความภูมิใจว่าเราได้สร้างความดีไว้บรรจกใจใจนี้เป็นนอกท่องเที่ยวเกิดได้ทุกแห่งทุกผลไม่กำหนดกฎเกณนในสถานที่เกิดสำคัญที่มีกรรมดีกรรมชั่วเป็นเครื่องหนุนอยภายในใจนี่เป็นของสำคัญทรานจึงควรสร้างความดีให้มากๆ ให้เราลึกถึงป่าช้าบ้างวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนวันหนึ่งวันหนึ่งควร ล, ลึกถึงความตายอย่างน้อยสักห้าครั้งคนเราก็ยังจะมีหยุดชะ ง, งักบ้างการทําชั่วช้าเราโมกทั้งหลายลืกความฟุ้งเฟอ้อเหเหมการลืมเนื้อลืมตัวก็จะมีสติตังบ้างเพราะป่าช้ามีอยู่กับตัวเราต้องตายวันหนึ่งแน่นอนจะมั่งมีชีสุขขนาดไหนก็ต้องมีตาย จนทุกจนขนาดไหนก็ต้องมีตายคนโู่คนฉลาดมีความตายประจําด้วยกันยึงควรจะสร้างความดีงามไว้สําหรับตนจะได้เป็นสตรีมงคลในปัจจุบันในอนาคตการแสดงธรรมก็เห็นว่าพอสมควรแต่เวลาขอบุญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระภูมี พ, าามพระภาพจาบค้อมทั้งประธรรมและประสงค์จงมาคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มีความจุคาสบายใจและ กลับไปบ้านด้วยความปลอดภัยด้วยโดยทั่วกันเอ๋ยบังก็มีด้วยรากาละเนีเอเติร์นมาเหนื <c oughs> ่อเยเเ <c oughs> ติร์นมาเหนื่อยอันนี่มันเท่ารกันมากันมาไรหวานแะค่ออววายแล้วก <c oughs> ็เอาไป <c oughs> แต่วันนี้ะจะให้พรให้พรจะยินตัวกันไหมลราให้พรเนี่ยอย า, าวาริวะหาปูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตจินนางเป ต, ตานังอุปกัปติ อิชิตังปัตติตังตุมหังจิตเปเมวะตมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกะปาจานโทพนะระโสยถามนิโชติระโสยถาสัพพิิโยวิวัชันตุสัพพโรโกวินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีทายุโกภวะ ภิวาทนาสีริษานิจังวุทฒาปจายโนจตาโรธรรมาวาัฏฐิปอายุวันโนตุขังภารังภวตุสับ พ, พมังคลังราขันตุสับปเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสรังพานุภาเวนะสทาโสธี อ้าววันตุเต่อเผ็ดนี่นะพริกเผ็ดเป็นอย่างหนึ่งชิงเผ็ดเป็นอย่างหนึ่งอ่าวอันนี้แตะเอาอะไรเห็นนะฉันฉลองให้แล้วฉลองให้แล้ว